กาพระวินัยนักธรรมชั้นตรีมวลที่สิบโดยพระอาจารย์บุญมีจันทูปโมเพื่อนสาธมิตรที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับพระวินัยต่อซึ่งในตอนที่แล้วเราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับมิสธียปาจิตีสามสิบ อนิสกียาปาจตีสามสิบนั้นก็ได้ศึกษามาแล้วว่าแบ่งเป็นวัคได้สามวคคือจีวนวัคมีสิบสิขาบทโคเสววัคมีสิบสิขาบทและก็ปัตตาวัคมีสิบสิขาบทรวมเป็นสามสิสิขาบทด้วยกันเราก็ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดถึงสิขาบทเหล่านั้นมาครบท่วนกระบวนวามแล้ว ท่านี้นิสกียะปาจิตีทั้งสามสิบนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อสรุปแล้วนิสขียะปาจิตีสามสิบก็จะได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดจดจำในข้อบทสรุปนะควรจะทำความเข้าใจเป็นบดหมว ด, ดไปท่านกำหนดไว้ในบทสรุปนี้ถึงสาหมวดด้วยกัน คือหมวดที่หนึ่งเป็นนิสกียะโดยวัตถุหมวดที่สองเป็นนิสกีโดยอาการของภิษุหมวดที่สามเป็นนิสกีโดยล่วงเวลาหมวดที่หนึ่งที่เป็นนิสกียะโดยวัตถุนั้นก็เช่นทองเงินของที่เป็นกัปปิยะแลกเปลี่ยนด้วยรูปียะสันถัดที่หลอ เจอด้วยไหมสันทัศที่หลอด้วยขนเกียร์ดาล้วนสันทัศที่หล่อใช้ขนเกียมดําเกินสองส่วนอันนี้ก็เป็นวัตถุยังก็เป็นนิสสคีโดวยวัตถุแต่ส่วนหมวดที่สองเป็นนิสสคียะโดยอาการของพิสุคือกิริยาที่ได้มาได้สิ่งของเหล่านั้นมาเช่นจีวรที่รับจากมือนางพิกุณีคู่ไม่ใช่ญา จีวรที่ขอต่อกระหับผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ประวรณาจีวนระ์ที่ขอเกินกำหนดในเมื่อมีสมัยที่จะขอได้จีวรที่สั่งให้เขาจ่ายดีขึ้นไปกว่าที่เขากำหนดไว้มีอยู่สองชนิดจีวรที่ได้มาโดยทวงเกินกำหนดของที่แลกเปลี่ยนกับกระหับได้มาบาทที่ขอ เขาในการที่ยังไม่สมควรจีวรที่ให้แก่พิสู่นแล้วริงเอาคืนมาได้ <c oughs> ที่ขอเขามาทอจีวรจีวรที่สั่งให้ช่างหกทอดีกว่าเจ้าของกำหนดไว้แล้วก็ลาบที่ลาบโสงที่น้อมมาเพื่อตนอันนี้ก็เป็นไปโดยอาการของพิสูจคือกิริยาที่ได้มา และก็นิสกีที่เกี่ยวกับในหมวดนี้ก็คือกิริยาที่ทําอีกประการหนึ่งกิริยาที่ทําก็เช่นจีวรที่ใช้นางพิษุณีผู้มิเชื่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้ทุกก็ดีสันทัดที่หรอใหม่ในเมื่อใช้สันทัดเก่ายังไม่ถึงหกปีสันทัดที่หรอใหม่ไม่เอาสันทัดเก่าปนและก็กิริยาที่ทําให้ล้ํากําหนดก็เป็นนิสกี ในทีนี้ก็เช่น <c oughs> ค้นเตรียมที่ถือเอามาเองเกินสามโยต์ผ้าอาบน้ำฝนที่หาได้หรือทํานุ่งล้ําวันกําหนดนี่เป็นหมว ด, ดที่สองแต่ว่าพูดถึงกิริยาที่อได้มากิริยาที่ทําและกิริยาที่ทําให้ล้ํากําหนด <c oughs> ก็เป็นเหตุได้เป็นนิสกิยะป่าจิตีิส่วนหมวดที่สาม <c oughs> ในบทสรุปนี้เป็นนิสกิยะโดยล่วงเวลา อาเช่นไตรจีวรที่อยู่ปราศจากเกินหนึ่งราตรีอัตเลกจีวรล่วงสิบวันอัตเลกบาตรล่วงสิบวันอาการจีวรที่ได้อนุญาตนั้นเกินหนึ่งเดือนอัจเจกจีวรล่วงวจีวรการจีวรที่อยู่ปราศจากเกินหกคืนในคราวได้รับอนุญาตพิเศษและเทศสัตว์ล่วงเจ็ดวัน นี่ก็เป็นนิสคีที่ทำให้ล่วงเวลาแลวก็เป็นอาบอาส่วนวิธีที่สละของที่จะต้องสละนั้นก็พึงทำให้ถูกต้องถ้าต้องการนะถ้าการต้องอาบัันนั้นเป็นเหตุเฉาประชอนเป็นที่รังเกยียจของคนมากแล้วก็ควรสละในสง ถ้าหากบม่มีใครถือเอาเป็นเรื่องข้อรังเกียจใหญ่โตก็ควรสละแก่บุคคลก็ได้หรือถ้าเป็นของไม่ควรบริโภคคำเสียสละก็ไม่ควรจะว่าสังกษะแก่สงหรืออายตมาโตแก่ท่านควรจะว่าเพียงแต่ว่าอิมมาหังนิสชาไม่ข้าพเจ้าสละกของนี้เสียเพราะของที่เป็นอากาศปิยะาสงก็ดีบุคคลก็ดีจะรับเอาไว้ก็อย่างไรอยู่นั้นสมควรจะมอบให้ครหัสหรือทิ้งเสียไป ก็ได้เหมือนกันเช่นทองหรือเงินอ่ของที่เป็นนิสระท่าศูญย์หายไปเสียไม่มีจ ะ, ะไม่มีจะสละก็เป็นแต่เพียงแสดงอวบเท่านั้นก็ได้คือว่างมันหายไปแล้วก็เป็นอันว่าไม่ใช่เป็นของพิสูจนแล้วนั้นอวบตแต่ละหมวดนะอที่กล่าวนี้ก็จะเป็นอวบเบาเรียกว่าละหุ ก, กาบัตบนะอวบเบาเรียกว่าละหุกอวบละหุกอตบก็คืออวบเบา และก็จะพ้นได้ด้วยวิธีการแสดงเรียกว่าเทศนาคามินีอบัตเบานั้นก็ตั้งแต่อบัตทุลจัยลงมาก็คืออบัตทุลจัยอบัตฝ่าจิตตีอบัตฝ่าิเทศนิยัอบัตทุกโกรและก็อบัตทุกประสิทธิ์นี้เป็นอบัตเบาแสดงได้พ้นได้ด้วยการแสดงเรียกวุฒิาได้เรียกว่าเทศนาคามินีอืม ในในสิสกิยปปาจิตีที่เราเรียนมาก็กล่าวโดยสรุปให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็มาขึ้นในบทต่อไปในการที่เจ็ดก็คือการที่ว่าด้วยปาจิตีเก้าสิบสองสี่ขาบทปาจิตีเก้าสิบสองสขาบทนั้นก็แบ่งเป็น แบ่งเป็นวักๆเหมือนกันนะแบ่งเป็นวักเก้าสิบสองสิขาบทแบ่งเป็นวัละสิสิขาบทได้เก้าวเว้นสหพันธิกายวัที่แปดมีสิบสองสิขาบทมียุ้ยเรือที่มีสิบสองสิขาบทรงน้นก็มีสิสิขาบทรวมเป็นเก้าวัดยกันนี่ในวักที่หน่ชื่อว่ามุสาวาธวะ อามูสาวาทวัตที่หนึ่งนี้เราก็จะต้องท่องให้ขึ้นใจอและทุกวัตเราท่องให้ขึ้นใจนั้นเรามาท่องหรือมาเรียนในวัตที่หนึ่งก่อนและวัตที่หนึ่งนี้ชื่อว่ามุสาวาทวัตมีสิบสิกขาบทก็ท่องให้ขึ้นใจก็เรียกว่าทุกทุกข้อเนี่ยท่องให้ขึ้นใจเลยเฉยวโดยเฉพาะวัตที่หนึ่งนี้เป็นวัคที่สั้นๆ ก็ควรจะท่องให้ขึ้นใจและก็จดจําให้แม่นยําสิทธิขาบทนั้นก็คือหนึ่งพูดบทต้องปาจิตตีสองด่าภิกษุต้องปาจิตตีสามสอนเสียดภิกษุต้องปาจิตตีสีภิกษุสอนธรรมแก่อนุปัฏฐบันถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตตีห้าภิกษุนอนในที่มูงที่บางอันเดียวกันกับอนุปัฏฐบันถ้ า, เ, าเกินสามคืนขึ้นไปต้องปาจิตตี หกพิสูนนอนในที่มึงที่บางอันเดียวกันกันกบผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องปาจิตตีเจ็ที่สูจนแสดงทำแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคาขึ้นไปต้องปาจิตตีเล้นไว้แต่มีบุรุษผู้รู้เลียงสาอยู่ด้วยแปดพิสูุบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมพันธต้องปาจิตตีเก้าพิกษุบอกอาบัตชั่วยหยาบของพิสูจอื่นแก่อนุปสัมพันธต้องปาจิตตีเล่นไว้แต่ได้สมมติ สิทธสุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องฟาจิตีมีมีสิทธิขาบทเดียกันเราท่องให้ขึ้นใจเลยหรือจะท่องโดยไม่บอกวันหนึ่งสองก็ได้เช่นว่าพูดปดต้องฟาจะตีดาพิสุต้องฟาจิตีห่อเสียบทิสุต้องฟาจิตีสอนธรรมพิสุสอนธรรมกันกนุปสัมพันตาว่าพร้อมกันต้องฟาจิตี ที่สูนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับอนุปัฏฐมบันเกินสามคืนขึ้นไปต้องปาจะตีที่สูนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องปาจะตีที่สูแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปต้องปาจะตีที่สูบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปัฏฐำบันต้องปาจะตีที่สูบอกบัตจั่วยา ขอวิสูอื่แก่โลกอุปสรรคแก่รูปธรรมบัญต้องปลาจิทีี่สูกรูปเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุูก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปลาจิทีเอาะว่าอย่างนี้มันก็สนุกไปด้วยมันก็จําง่ายนะจําได้แม่นยําทีนี้เมื่อเราท่องได้จําได้แม่นยําเราก็มาศึกษาในรายละเอียดแต่ละข้อแต่ละข้อไปนะนั้นในการที่เจ็ดนี้เราก็ เริ่มทำความเข้าใจกันตั้งแต่คำว่าปาจิตีเป็นต้นไปตามสิขาบทนั้นต่อไปเรื่อยๆอคำว่าปาจิตียะหรือปาจิตีนี้ได้กล่าวไว้แล้วในกัณฑ์ที่หกนี่ยซึ่งได้กล่าวถึงคำว่าปาจิตีนั่นคืออะไรป <c oughs> าจิตีนั้นก็เป็นชื่อของวิติกรมะคือความละเมิดนะอัังกุศล ให้ตกไปอันยังกสมลคือความดีให้ตกไปนะปาจิตตีในที่นี้คือในปาจิตติก้าสิบสองเนี่ยเป็นปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของเรียกให้แปลกจากนนสกิยะปาจิตติว่าสุดที่กะปาจิตตีแปลว่าปาจิตติล้วนแต่ว่าในบาลีเรียกกันแต่เพียงว่าปาจิตตีเท่านั้นเนี mm. ่้า มูสิขาบทที่หนึ่งหนุมูสาวาวาทวาที่ว่าพูดปดต้องปาจิตติอันนี้ข้อความที่ควรกําหนดที่ว่าลักษณะของการพูดปดพูดปลดมันคือพูดอย่างไรในคนํานี้บาลีภาษาใช้คํำว่าสัมปชันหนุมูสาววาแต่ว่าพูดเป็นไทยว่าพูดปดถ้พูด ป, ด, ด, ปดนั้นก็คือรู้ตัวอยู่แล้วก็กล่าวเท็จนะ พึงรู้โดยลักษณะที่ว่าเรื่องเป็นอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผู้พูดจงใจจะให้พูดให้คลาดจากความเป็นจริงหรือผู้สแสดงอาการอย่างอื่นด้วยเจตนานั้นให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นอย่างอื่นจากความเป็นจริงสแสดงเพียงกายประโยคเขียนหนังสือก็เข้าในลักษณะนี้พูดง่ายๆว่าผู้ให้คลาดจากความเป็นจริงเรียกว่าพูดปด ความจริงเห็นมาอย่างนี้ความจริงได้ยินมาอย่างนี้แต่ว่าพูดให้เป็นอย่างอื่นไปนี่ยเรียกว่าว่าพูดให้คลาดจากความเป็นจริงเป็นการพูดปดหรือเป็นการพูดเท็จเป็นการพูดเท็จลักษะแห่งอาบัตในสิกขาบทนี้อาบัตในสิกขาบทนี้ก็คือเป็นสจิตตะกะ ไม่ตั้งใจพูดเท็จนะไม่เป็นอบัติคือเจตนาจะพูดเท็จนะี่ที่เป็นอบัติถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดเท็จเรีนรับคําของเขาด้วยจิตบริสุทธิ์ภายหลังเ อ, อไม่ทําตามคําที่รับนั้นก็เรียกว่าปฏิเสวะนะปราบอาบัติทุกบทนะปราบอาบัติทุกบทไมเ่เมื่อไม่เจตนาเช่นมาทีเขาพูดไวจนเกินไป เออก็พลาดไปตั้งใจจะพูดอย่างนี้แต่มันเกิดพลาดไปอย่างอื่นก็ไม่เป็นอบัตเหมือนกันเรียกว่าตั้งใจจะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเกิดพลาดไปไปถึงอีกอย่างหนึ่งก็ก็ไม่นับว่าเป็นอบัตเพราะว่าสิขาบทนี้เป็นสกิจตะกาคือเจตนาในการที่จะพูดอ่าหมดจริงๆจริงจะเป็นอบัตถ้าไม่มีเจตนาเช่นนั้นก็ก็ไม่เป็นอบัตอะไรนี่สิขาบทที่หนึ่งนะอ่าสิขาบทที่สอง ดาที่สุต้องปาจิตตีดาที่สุดต้องไป ต, ตีนี้ข้อความที่เราจะกําหนดในสิ่ขาบทนี้ก็คือลักษณะท้องการดาแั้นดานั้นคืออะไรแปลในมารีภาษาใช้คำว่าโอมาสวานนะแปลเป็นไทยว่าดานะดาดาก็คือคําพูดเสียดแทงให้เจ็บใจเสียดแทงให้เจ็บใจปราถนาที่จะ ทำให้ผู้ที่ตนมุ่งด่า น, นั้นได้รับความเจ็บใจและได้รับความับยนหรือพูดหรือสแสดงอาการเป็นเครื่องเสียดแทงให้เจ็บใจด้วยระการต่างๆนะด้วยระการต่างๆหรือวัตถุสำหรับอ้างเครื่องกล่าวเสียดแทงนั้นท่านกล่าวไว้ในว่ามีสิบอย่างด้วยกันนะคือชาติได้แก่ชั้นหรือกำเนิดของคน ยกชาติขึ้นมาดาจะไอชาติชู้ไอชาติอย่างนั้นไอชาติอย่างนี้ไอกําหนดอย่างนั้นไอกําหนดอย่างนี้ขึ้นมาดาหรือยกชื่อขึ้นมาดาเอาชื่อดาชื่อในลักษณะในเสียหายหรือโคตรหรือแท้เอาโคตรขึ้นคุดโคตขึ้นมาดาคุดโคษขึ้นมาว่าคุดแทกขึ้นมาว่านี่นะเออ S <S <an> เครื่องสําหรับด่าหรือไม่ก็การงานที่เขากําลังกระทําอยู่ศิลปะที่เขามีอยู่หรือเอาโรคที่เขามีอยู่ประจําตัวหรือไม่มีก็าตามทีเอาโรคมาดาเรื่องไอ้โรคไอ้คีโรคไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ขึ้นมาในรูปพันสันฐานเตี้ยเหมือนกับมะขามหรือว่าเหมือนกับอะไรกลิ้งไปอะไรก็แล้วแต่จะปูกขึ้นมารูปพันสันฐานไอ้ดาเหมือนกับอะไรหรือยอย่างนั้นอย่างนี้นาด ในลักษณะนี้หรือด่าด้วยเอากิเลต ข, ขึ้นบมาด่าเอาอาบัตขึ้นมาว่าคำจบประมาท อ, อื่นอื่นอีกรวมเป็นสิบอย่างนี้เป็นเป็นเครื่องสําหรับดา่าเรียกว่าอกโกสวัตถุแปลว่าเรื่องสําหรับดา่านะอกโกสวัตถุแปลว่าเรื่องสําหรับดา่าสิบอย่างหรือดาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ก็ชื่อว่าดา่านะเป็นการพูดโกมาสวัต ด่าให้คนอื่นเส็บใจได้รับความอัตยศกิริยาที่เสียดแทงนี้มาดึงแกลงพูดยกย่องในเรื่องที่ดีกรนทบถึงชาติเป็นต้นก็มีการเรียกกันว่าแดกบ้างประชดบ้างบางทีก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็มีหรือพูดกดให้เลวลงเรียกกันว่าด่าก็มีในสิกขาบทนี้ ก็มีอาบัติที่พิเศษเข้ามาอาศัยอยู่ในสิกขาบทนี้ก็คืออาบัติทุพราสินะอาบัติทุพราศิย์ถ้าหากว่าไม่ได้เพ่งความเจ็บใจหรือ ไ, ได้รับความอัยิยศอะไรพูดล้อกันเล่นนะแต่กระทบวัตถุที่มีชาติหรือมีเอาอโกศวัตถุทั้งสิบเนี่ยมาด่าแกอุปสมบันก็ตามอุปสมบันก็ตามพูดเจาะตัวก็ตามพูดเกรยก็ตามเป็นอาบัติทุพราศิ หมายความว่าเราดา่าภิสุก็ตามดา่าผู้ที่ไม่ใช่ภิสุจะเป็นสมัมเณีหรือธทราวะทั่วไปก็ตามยกเอาวัตถุสิบอย่างเรียกว่าอโกะอโกะวัตถุนี้มาดา่าแต่ไม่ได้มุ่งให้เขาเจ็บใจไม่ได้มุ่งให้เขาได้รับความอัปยศอดสูอะไรแต่เป็นการด่าล้อเล่นล้อเล่นอย่างนี้นนก็เป็นอบัตทุพพาสิบนะเป็นอบัตทุพพาสิบ อบัตทุกัสสิทธนั้นมีในพิพังแห่งเดียวในสิกขาบทนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นเลยนั้นจะมีอยู่ในสิกขาบทที่สองแห่งมุสาวาทวรตเท่านั้นฉะนั้นก็พึงกําหนดจดจาเกี่ยวกับอบัตทุปัสสิทนี้ว่ามีในที่นี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นในที่นี้ก็คือในสิกขาบทที่สองแห่งมุสาวาทวรตฉะนั้นเอท่านต่างหลายก็พึงจําให้แม่นยําเลยในในข้อนี้ ลักษณะแห่งอาบัตในสิกขาบทนี้ก็คืออาบัต้าสิกขาบทนี้เป็นสจิตกะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นอาบัตแก่ที่สู้มุ่งมุ่งทำมุ่งสั่งสอนแม้กล่าวถึงชาติก็ไม่เป็นอาบัตหมายความว่าถ้าหากเราสอนมุ่งการสอนธรรมะมุ่งประโยชน์แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องชาติเรื่อง ออย่างนั้นบ้างเป็นการทําให้ผู้ที่ถูกด่าถูกว่านั้นกลับประพฤติตนเป็นคนดีอันนี้ไม่เป็นอธรรมเช่นเราด่า อ, อผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสซึ่งปกครองในวัดปกครองพระสงฆ์องค์เลนในวัดเด็กวัดอย่างนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้หลักการปกครองที่เรียกว่าสะน้ําต้นยอกอไผ่ เมื่อเราใช้สระน้ำในการปกครองก็คือมีจิตใจเย็นมีจิตใจดีเมตตาอรีต่อมีอะไรก็ตักเตือนกันด้วยไมตรีจิตอย่างดีแต่ว่าท่านลูกศิษย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามาไม่ได้ผลหมายถึงว่าทําวิธีนี้ไม่ได้ผลก็ใช้ต้นเหรอ คือบางทีก็ททำดีหน่อยก็ยอยกย อ, ป, อป้ันให้เขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็อาจจะดีแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องใช้กอ่อไผ่ก่อไผเนี่ยจะต้องลงโทษแล้วจะต้องลงโทษฉะนั้นการลงโทษก็มีวิธีหลายวิธีแม้แต่การดุการด่าบ้างก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่เราใช้ในขั้นสุดท้ายก็ได้รับผลตามสมควรเหมือนกันนะในการที่จะต้องลงโทษ อ่าด้วยวิธีการนั้นๆหรืออาจจะพูดดุรูแรงอาจจะพูดดา่าดุไปบ้างอันนี้ก็เพื่อมุ่งประโยชน์มุ่งสอนธรรมะไม่เป็นอบัติอะไรแต่ท่านระด่ากันด้วยความไม่พอใจนะด่าด้วยความโกรธโดยยกเอาอโกถวัตถุทั้งสิบนี้มาดา่าก็ไม่พ้นจากการเป็นอบัติคือเป็นอบัติปาจิจดีท่านดา่าอุปสำบันคือด่าภิกษุ แต่ถ้าด่าอนุปสัมบันิหมายถึงด่าสมณน EN, หรือขราดตัวไปก็เป็นอบัตทุกกฎนะนี่เรื่องของการดา่าอ่าต่อไปก็เป็นปีขาบทที่สามสอเสียดที่สุต้องปาชิตีอ่าสอเสียดนี้ข้อความที่ควรกำหนดก็คือลักษณะของการสอเสียดการสอเสียดนั้นในภาษาบาลีใช้ว่าเปสุญยาวาดก็พึงรู้โดยลักษณะอย่างนี้ คือเก็บเอาคำข้างนี Perhaps, wie, icki, ้ไปบอกอีกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้เก็บเอาคำข้างโน้นแล้วก็เอามาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นด้วยปรารถนาที่จะได้เป็นที่รักของเขาบ้างด้วยปรารถนาที่จะให้เกิดการแตกแยกกันบ้างเป็นการถอนกำลังของเขาลงบ้างอย่างนี้ก็มีอย่างนี้เรียกว่าพูดส่อเสียดนะพูดสอเสียดทําให้นําความทางนี้ไปบอกทางโน้นนำความทางโน้นมาบอกทางนี้เพื่อทําลายซึ่งกันและกัน แหนะให้เกิดความเกลียดชังกันให้เกิดการผิดใจกันอะไรต่ออะไรเดยกเป็นการสอเสียรนะนี่การสอเสียดนี้ถ้าอาจะดูถึงลักษณะแห่งอวบัติแล้วก็คือว่าสอเสียรพิสุต่อนพิสุด้วยกันเนี่ยเป็นป่าจิตตนะีนี่พิสุต่อนพิสุในการเช่นรับคําข้างนี้ไปสอเสียรพิสุตอีกข้างโน้น รับคำคานนต์ซึ่งเป็นพิสุก็มาบอกข้างนี้ว่าท่านเขาว่าเราเขาว่าท่านอย่างนั้นเขาว่าท่านอย่างนี้ให้ทั้งสองเกิดการผิดใจกันนั้นถ้าซอเสียที่ิตโดยกันก็เป็นป่าติเตียนหรือว่าไอ้ข้างหนึ่งเป็นอุปสมบันคือเป็นอุปสมบัติในเรียกวเป็นภิษุนะคืออุปสมบทแหลข้างหนึ่งเป็นอุปสมบันิข้างหนึ่งเป็นอนุปสมบันิอนุปสมบันิคือผู้มาในอุปสมบทได้แก่สมณีนและก็คราหัตทั่วไปเรียงว่าอนุปสมบันิ อีกข้างหนึ่งเป็นอุปสัมบันิคือวิสุกอีกข้างหนึ่งเป็นอนุปสมบันิคือผู้ไม่ใช่ปิสุกหรือเป็นอนุปสมบันทั้งสองข้างซอเสียดต้องทุกข์กดในซอเสียเป็นเป็นทุกข์กดถ้าได้ฟังมาแล้วคือได้ฟังมาแล้วบอกด้วยปรารถนาเหตุอย่างอื่นไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เขาชอบหรือแตกกันอันนี้ไม่เป็นอ บ, บัติอะไรคือได้ยินเข้าว่าอย่างนั้นก็เลยมาบอกว่าพูดอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นอบัติอะไรคือไม่มีจิตใจในการที่จะซอสเสีย อา บ, บัตที่จะพึงปรับในสิขาบทนี้ก็เป็นอา บ, บัตเพียงทุกอดแต่ว่าคามุสาในทีนี้มีโทษรุนแรงกว่าฉะนั้นก็จึงปรับเป็นอ บ, บัติปาจิตตีนะเป็นปรับปรับเป็นอบบาบัติปาจิตตีในสิกขาบทแห่งการส่อเสียดฉการส่อเสียดนี้เป็นเป็นปาจิตตีนะถ้าหากว่าส่อเสียดที่ยิ่งไปกว่านั้นเช่นการส่อเสียดจนเกิดการแตกแยกของโสมขึ้นมา แยกเป็นก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาก็จะเข้าลักษณะในการภาคเพี่ยนเพื่อทํำลายสงก็อาจจะต้องอาบัติสงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้แต่นี้พูดถึงระหว่างบุคคลต่อระว่างบุคคลไม่ใช่สงนะต่อไปก็เป็นสีขททส่ขาบทที่สี่สี่ขาบทที่สี่นั้นความว่าที่สูงสอนทำแกอุบะอ่าแกอนุปสัมบันิถ้าว่าพร้อมกันต้องปาจิตติ 4. ข้อความควรกําหนดในสี่ขาบทนี้ก็คือลักษณะแข่งอนุปสัมบันิ อนุปสมัมพันธได้กล่าวเลย ว, ว่าได้แก่คนที่ไม่ใช่พิกษุและก็ไม่ใช่พิสูจนีด้วยทั้งเป็นผู้ชายทั้งเป็นผู้หญิงนะอนุปสมัมพันธในชนิดใหม่นั่งผู้ชายด้วผู้หญิงด้วยแต่ไม่ใช่พิกษุไม่ใช่พิกษุ น, น, นีลักษณะของธรรมที่สอนนั้นท่านอ่าได้สแสดงไว้ว่าพาสิทธ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามพาสิทธิ์ของพระสาวกก็ตามพาสิทธิ์ของฤาษีก็ตามพาสิท ข, ของเทวดาก็ตาม นะชื่อว่าทําในทีนี้มีอาการสอนธรรมนั้นท่านจําแนกโดยลักษณะการสอนไว้ถึงสี่อย่างเช่นสอนโดยบทว่าขึ้นพร้อมการจบลงพร้อมกันว่าโดยอนุบทคือว่าขึ้นไม่พร้อมการจบลงพร้อมกันโดยอนุอักษรนะขึ้นอักษรร่วมกันบ้างไม่ร่วมกันบ้างว่าโดย อนุพยัญชนะคือลงพยัญชนะร่วมกันบ้างไม่ร่วมกันบ้างทั้งสี่อย่างนี้ให้ต้องอาบัตเหมือนกันเป็นอาบัตมากน้อยก็ตามประโยคที่สอนให้ว่าพร้อมกันกําหนดขึ้นและลงคราวหนึ่งคราวหนึ่งลักษณะแห่งอาบัตในสิ่ขาบทนี้ท่านบอกว่าเป็นอจิตกะคืออาบัตในสิ่ขาบทนี้เป็นอจิตตกะคือไม่มีเจตนาก็ ก, ก็ต้องอาบัตได้เหมือนกันในสิ่ขาบทนี้ เพราะฉะนั้นแม้จะตั้งใจระวังไม่ว่ า, าไม่ให้ว่าพร้อมกันแต่พลาดว่าพร้อมกันเข้าเป็นอบัตเหมือนกันนะเกิดขึ้นโดยลำทางวาจาไม่ตั้งใจกเ็เกิดว่าพร้อมกันขึ้นมาก็ปรับอบัตเหมือนกันนสิบนี้ถ้าสวดพร้อมกันและก็ท่องพร้อมกันทางอาทั้ ง, งลุกสัมบันผู้ว่าผิดในกลางคันไม่นับว่าสอนทรรมไม่เป็นอบัต นะไม่เป็นน้ บ, บัตรในสิขาบทนี้เนี่ยสิขาบทนี้ก็บัญญัติเพื่อไม่ให้ศิษย์นั้นดูหมิ่นครูสมาธิครูไม่ค่อยจะรู้อะไรก็สอนให้ว่าพร้อมกันลงพร้อมกันขึ้นมาอย่างนี้ถ้าศิษย์ศิษย์ก็จะดูหมิ่นครูได้นั้นก็เพื่อไม่ให้ศิษย์ดูหมิ่นครูต่อไปสิขาบทที่ห้า สิขาบทที่ห้าว่าพิษุนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกันกบอนุปสมบันิเกินสามคืนขึ้นไปต้องป่าจิตตีแล้วก็ความในอสิขาบทนี้ก็คือลักษณะแห่งอนุปสมบันิอนุสัอนสบันในที่หมายเอาผู้ชายซึ่งไม่ใช่พิกษุนะไม่ได้หมายเอาผู้หญิงด้วยเพราะว่าอผู้หญิงด้วยอันนี้ก็นอนคืนเดียวก็เป็นป่าจิตตีแล้วอันนี้นอนสามคืนก็หมายถึงอนุปสมบันที่เป็นฝ่ายชายการนอนร่วมกันนั้น อคือกําหนดด้วยการนอนในที่แลเห็นกันได้ในเวลาหลับเป็นเขตแห่งสหัสัยอันหนึ่งอันหนึ่งอที่จตามเขตก็คือว่าในเขตที่เราอยู่ในพูดถึงเรื่องของการอยบุปผาจากไตรจีวรนั้นอาการที่นอนร่วมกันก็คือเหยียดกายอยู่พร้อมกันอใครเหยียดก่อนใครเหยียดหลังหรือเหยียดพร้อมกันไม่เป็นประมาณสุดแต่เหยียดร่วมกันเข้าเรียกว่านอนร่วมกันจะหลับหรือไม่หลับนั้นก็ไม่เป็นประมาณเหมือนกัน นอนร่วมกันได้สองคืนในคืนที่สามให้คลากออกจากการเสียหรือให้ลุกขึ้นเสียฝ่ายหนึ่งก่อนเวลาอรมณ์จะขึ้นเมื่อได้ทำอย่างนี้ก็หักราตรีที่นอนร่วมกันลงได้หมดนับตั้งต้นใหม่คือนับหนึ่งไปใหม่ถ้านอนร่วมกันถึงสามคืนแล้วในคืนที่สี่นั่นตั้งแต่ตะวันตกลินไปแล้วเยียร่วมกันไม่ได้เลยแม้ขณะหนึ่งถ้านอนร่วมกันก็เป็นป่าจิตตีอสถานที่ที่กำหนดเอ ก็คือสถานที่มุงและก็มีสถานที่บางถ้าที่มุงที่บางมุงกึ่งหนึง่งบางตึงหนึง่งเป็นเขตแห่งอบัตทุกกฎนะสถานที่มุงหมดแต่ไม่มีที่บางเลยเช่นสลาโถงสถานที่บางหมดแต่ไม่ได้มุงเลยเช่นค้อกก็ดีสถานที่มุงโดยมากแต่ไม่ได้บางเลยโดยมากเช่นสลาโถงมุงไว้ไม่หมดและก็กันฝาโดยเอกเทศไม่ถึงครึ่งไม่จัดเป็นเขตห่าสา ย, ยาก นอนด้วยกันในที่นั้นไม่เป็นอ ბ ัต์นะไม่เป็นอ ბ ัต์นั้นอ ბ ัต์ในสิ่ขาบทนี้ก็เป็นอจิตตกะแม้จะนับราตรีพลาดไปก็ไม่คนเช่นเดียวกันความมุ่งหมายในสิ่ขาบทนี้ก็เพื่อจะ ก, กันชาวบ้านไม่ให้เห็นกิริยาอาการนอนหลับของพิสุอันจะแสดงท่าทางวิปลาสผิดจากอาการของผู้สังวรอันไม่เป็นเครื่องเจริญใจของพิสุหรือของผู้ที่ได้มาเห็นนั้นการนอนหลับหรือการอะไรนั้นก็อาจจะเลิดไปได้อาจจะเห็นอะไรต่ออะไรที่ไม่น่าจะเห็น มันก็เป็นที่น่ารังเกียจยิงข้ามไปในยีขาบทนี้เอาละครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนชาวธมิกทุกรูปที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นนี้อยู่วันนี้ครับเพื่อนชาวธมิกทุกรูปที่กําลังศึกษานักธรรมชั้นตรีอยู่วันนี้เราก็มาศึกษาต่อ ในเรื่องของป่าจิตตีซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาถึงสิกขาบทที่5าแห่งมุสาวาทวะซึ่งว่ากันด้วยการอานอนร่วมกันกับ อ, อนุปสมบันนะครันะณสามคืนต้องป่าจิตตีทีนี้เราก็มาว่าต่อในสิกขาบทที่หกต่อไปเป็นลำดับสิกขาบทที่หก ที่สูนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้ในคืนแรกต้องป่าจิตตีแต่หญิงในที่นี้ในสิขาบทนี้ก็หมายเอาหญิงมนุษย์ที่เกิดในวันนั้นนละหญิงมนุษย์ที่เกิดในวันนั้นคําว่าเกิดในวันนั้นก็หมายเอาเด็กตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปแม้จะยังไม่รู้เดียงสาก็ไม่พึงนอนในที่มุงกับเด็กเหล่านั้น เพราะได้กล่าวแล้วในบทในสิขาบทที่สองแห่งสังขาธิเสษว่าภิกษุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังขาธิเศษซึ่งในสิขาบทนั้นได้อธิบายไว้ว่าที่หมายเอาการจับต้องกายในที่นี้หมายถึงหญิงที่เกิดแต่วันนั้นตั้งแต่เกิดในวันนั้นจนกระทั่งอายุมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแตเ่เพราะ ผู้ชายย่อมมีความกำนัดแม่ในหญิงเด็กฉะนั้นก็ไม่ให้จับต้องนอกจากไม่ให้จับต้องในสิกง้าบุที่หกนี้ก็ยังไม่ให้นอนร่วมคำว่านอนร่วมในที่นี้ก็คือนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันไม่ได้ทำอะไรนะนอนในที่มุงที่บางอันเดียวกันไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่นี้ก็เป็นอบัตนะก็นัออกอ้อตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปนะจะเด็กอายุเทา่าไหร่ก็แล้วแต่บาตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปก็แล้วกัน เกิดนะในวันนั้นฉะนั้นจะนอนในที่เช่นนั้นกับผู้หญิงนั้นไม่ได้แต่ถ้ามีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็ก็ไม่เป็นไรนะต่อไปก็สิขททส่ขาบทที่เจ็ดสิ่ขาบทที่เจ็ดความว่าพิสูจแสดงธรรมแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปเว้นไว้แต่บุรุษผู้รู้เดียงสาอยู่ด้วยต้องมาจิตตีอันนี้ก็หมายถึงแสดงธรรมแก่ผู้หญิง รุนล้วนนะไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนก็แสดงอย่าให้มากนะักอย่าให้เกินหกคานะถ้าเกินหกคาก็เป็นเปนป่าจิตตีที่ไม่ให้แสดงมากก็เนื่องจากว่ า, อ, าอยู่กับผู้หญิงรุนล้วนป้องกันอบัติไม่ได้คุ้มอบัตไม่ได้นะถ้ามีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนที่รู้เรี้ยงสาแล้วก็ พอจะควบคุมคําพูดของของพิสษุนนั้นไว่าพิสูจนพูดออกมาอย่างไรก็จะได้จับความรู้ได้ถ้าหากว่ามีเพื่อนอยู่เป็นออยู่เพื่อนเป็นชายด้วยกันอยู่ด้วยนั้นไม่เป็นไรแสดงทํามากกว่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะเขาแสดงเป็นชั่วโมงก็แสดงกันเยอะไม่ใช่หกคามากกว่าหกคาอันนั้นก็หมายถึงการแสดงต่ อ, อผู้ฟังซึ่งมีจํานวนมากมีทั้งหญิงมีทั้งชายที่รู้เรี่ยงเาอยู่ด้วย แต่ถ้าแสดงแก่หญิงอย่างเดียวนั้นแสดงมากไม่ดีก็การแสดงไปมากนั้นมันจะไม่ใช่ธรรมะทั้งหมดมันจะเป็นอย่างอื่นไปบ้างนะแม้แต่การรับโทรศัพท์ต่างๆนี่เราก็รับแต่พอควรอย่ารับให้มากนะมันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะว่าการพูดมากกับฝ่ายตรงข้าม คือเพศตรงข้ามนี่ก็จะเป็นเหตุในผู้เรื่องอื่นๆซึ่งนอกเหนือไปจากธรรมะก็มีอย่างที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติท้ามไม่ให้พิสูจนแสดงคำแก่ผู้หญิงเกินหกคานั้นก็เป็นการถูกต้องแต่จะแสดงให้มากว่านั้นก็ต้องมีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนที่รู้เดียงสานะหญิงในสิกขาบทนี้ก็หมายเอาหญิงที่รู้เรียงสาอ่ารู้เดียงสาคือฟังรู้เรื่องกันถ้าหญิงที่ไม่รู้เรียงสาจะพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่อง นั้นก็จึงหมายเอาผู้ที่รู้เรียงสาเข้าใจความอะไรกันบ้างจะพูดกอดจะพูดเกี้ยวหรือจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็รู้เรียงสาได้อนีนั่นจึงหมายเอาผู้ที่รู้เดียงสาจึงจะสาเร็จในการพูดลงไปได้อต่ต่อไปก็สิขาบทที่แปดสิขาบทที่แปดว่าอาทิกฝูบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสมบัทต้องปาจิตติอนุอ อุตริมนุษสธรรมนี้ได้กล่าวไว้แล้วในปาราชิกสิกขาบทที่สี่ซึ่งเราก็เรียนผ่านกันมาแล้วเนะี่ยอุอุตริมนุษสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์อันยุดยิ่งได้แก่ฌานกับโลกุตรนะนาฌานก็คือรูปฌานอรูปฌานโลกุตระก็คือมรรคสีผลสีนิพพานเนะี่ย บอกอุตริมนุษยธรรมที่มีจริงในสิขาบทนี้ถ้าไม่มีจริงก็เป็นอมวบปาราชิตถ้ามัถ้ามีจริงคือได้จริงเช่ในฌานจริงได้รูปฌานจริงอรูปฌานจริงแล้วบอกแก่อนุปัสสันวันว่าเข้าไปเจ้าได้อย่างนั้นเข้าไปเจ้าได้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่บอกก็เป็นปาาจิตติไม่พ้นจากการเป็นอมวบละไม่พ้นจากการเป็นอวบ ฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะบอกไอ้ที่บอกไอ้ที่เรามีข่าวได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วๆไปที่ปรากฏในปัจจุบันทั้งในด้านหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหรือหน้าหนังสือต่างๆที่พิมพ์กันขึ้นมาว่ามีสาระยบุคคลเกิดขึ้นที่โนนเกิดขึ้นที่นี่เรื่องเกิดขึ้นที่ใดก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นการพูดอาจจะเป็นเพราะผู้ต้องการจะขายหนังสือ ก็จึงได้โฆษณาเพื่อให้คนได้อ่านซื้อหนังสือไปอ่านก็จะมีรายได้จากการนี้ก็มีเรียกว่าหนังสือนั้นอาผู้ที่ทําหนังสือนั้นแต่งสร้างให้พระองค์นั้นเป็นอริยะหรือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ก็มีหรืออาจจะเป็นเจ้าตัวอพูดเองก็มีซึ่งก็เคยได้ยินมาเหมือนกัน ที่ว่าเป็นอริยบุคคลและก็ยืนยันความเป็นอริยบุคคลอยู่อย่างนี้ก็มีถ้าพูดเองยืนยันเองว่าเป็นอริยบุคคลนั้นก็จะต้องมีความผิดตามสิกขาบทที่แปดแห่งมูสาวาทะว ะ, ะมีความผิดทีนี้ถ้าพิจารณาตามความอัจรรย์ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติทรงสแสดงไว้ในความอัศจรรย์ของสารรมวินัยแปดอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงว่า ลูกของสถาคตไม่ละเมิดสิ่งที่สถาคตบัญญัติไว้ด้วยเหตุแม้เหตุแม่แห่งแม้เหตุแห่งชีวิตไม่บไม่ละเมิดเลยก็หมายความว่าพระอริยบุคคลและพระพุทธเจ้าตรัสรูบัรลุลูกของสถาคตไม่ละเมิดสิ่งที่สถาคต์บัญญัติไว้แม้ด้วยเหตุแห่งชีวิตก็แสดงว่าพระอริยบุคคลไม่ละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ นั้นเราได้ยินว่าผู้ใดอ้างบุคคลอ้างตนว่าเป็นอริยบุคคลก็เพิงทราบว่าอันนั้นไม่ใช่อริยบุคคลไม่ใช่อริยบุคคลเพราะอริยบุคคลจะไม่บอกจะไม่ละเมิดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนะตามสี่ขาบุตรนี้ถึงอย่างไรก็ตามนะ เ, เราก็ศึกษาให้เกิดความเข้าใจจะได้รู้เอาไว้จะไม่หลงงล ง, งาย ไปในเรื่องราวที่ใครโฆษณาชวนเชื <im acy malicious WordPress textbooks> ouais. ่อต่างๆให้รู้เอาไว้อย่างนี้เกี่ยวกับข้อนี้คือการบอกอุตริประธรรมที่มีจริงเป็นเป็นป่าจิตตีบอกแก่อนุปสัมบัติอส่วนสิกขาบทที่เก้าสิกขาบทที่เก้าความว่าทิศุบอกอาบัตชั่วอย่างของทิกศุอื่นแก่อนุปัตสัมบัตเว้นไว้แต่ได้สมมติ ต้องปาจิตตีอ่ข้อความในสี่ขาบทนี้ที่ควรกําหนดก็คือลักษณะแห่งอาบัติชู่วหยาบอาบัติชั่วหยาบนั้นในกคําสีที่พังท่านแกว่าเป็นอาบัติปาราชิกกับสังขารพิเศษปลาระชิกับสังขารพิเศษสิสามนี่เป็นอาบัติชั่วหยาบเพราะเป็นอาบัตนะิหนักด้วยมีเรื่องหยาบคายอยู่มากอาภิกษุเอ บอกอามัดชั่วยากแก่อนุกสมบันนะเขียนเห็นหรือได้ยินว่าพภิกษุนั้นต้องอามัดอะไรก็ไปเที่ยวบอกคารวาทั่วทั่วไปอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นการไปประจานความชั่วให้แก่คนอื่นได้รู้ได้เห็นเนะี่ยก็เป็นการไม่ถูกต้องนะจึงจึงข้ามไวในสีขาบทนี้ จะเห็นทิกษูรุ่นใดรูปหนึ่งที่เป็นเพื่อนสาตมิต้องอาบัติปรารชิกกดีสังฆาพิเศษก็ตามก็ควรที่จะอยู่ในหมู่ของสงเราคือจะต้องแจ้งให้สงทราบว่าเห็นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อจะได้ปรับปรุงการแก้ไขกันในหมู่คณะสงฆ์กันเองไม่ควรที่จะนำไปบอกกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง <c oughs> คือฆราวาสทั่วไป เพราะว่าปากคนนั้นมันยาวกว่าปากกาพอคนหนึ่งพูดอย่างนี้มันก็คนหนึ่งก็พูดอีสูงขึ้นไปอีกผูดไทยยิ่งขึ้นไปอีเขามีมันก็เลยเรื่องก็เกิดความเสียหายมากขึ้นฉังนั้นท่านจึงไม่ให้บอกแก่อนุปสัสฏฐานแต่ให้บอกแก่กันได้กันในการที่จะกําจัดในการที่จะอะระ ง, งับอาบัตินั้นอย่างไรนั้นได้ยุนะทีนี้ซึ่งสูที่จะอ่าที่ว่าเว้นไว้แต่สมมตินั้นก็หมายความว่า บัญยัตอิอ่ทรงอนุญาตให้สมมติให้สมสมุตมมิพิสูรรูปหนึ่งให้ทำหน้าที่บอกแก่แกอนุสปสมบันได้คือให้ให้บอกเฉพาะบุคคลที่สำคัญที่จะกลุ่บอกได้เช่นพายกกรรมการวัดอย่างนี้ก็สมมติให้พิสูรรูปใหญรูปหนึ่งเป็นคนบอกไม่ใช่ไปบอกทั่วกันไป็นหมดนะอย่างนี้ได้นะสมมุติจะเป็นการเจาะจงให้บอกอาบัตอะไรหรืออะไรเนี่ยก็ได้นะ ฉันบัญญัติไว้ในสิข่ขาบทนี้ได้กล่าวแล้วว่าห้ามไม่ให้นําไม่ให้เอพิฆุงเอาความเสียหายซึ่งกันและกันไปประจานให้ฆราวาสทั่วไปเขาได้เห็นในสิข่ขาบทนี้ทีนีอ้อาบัติอื่นๆที่ไม่ชั่วหยาบล่ะเราไปบอกกับฆราวาสเช่นอาบัติตุจใจอาบัติปาจิตีอาบัตปิาตาตปาเทสนิยะอาบัติทุกกฎไปบอก ก็เป็นอาบัตเหมือนกันแต่เป็นอาบัตทุกกฎก็ไม่ควรบอกม่เนี่ยนะไม่ควรบอกฉะนั้นก็พึงสำรวมระวังด้วยในข้อนี้ต่อไปก็สิกขาบทบที่สิบสิกขาบทที่สิบความว่าภิกษุขุดเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องป่าจิบตีอันนี้พูดถึงเรื่องของแผ่นดินลักษณะแห่งแผ่นดิน ในคำภีวิพังได้แยกปัตภพีคือแผ่นดินไว้เป็นสองอย่างคือกันคือหนึ่งชาตตา ป, ปัตตพีแผ่นดินแท้ก็คือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวดินเหนียวล้วนหรือมีของอื่นบ้างเช่นหินกรวดกระเบื้องแร่และทรายแต่มีน้อยมีดินร่วนดินเหนียวมากอันนี้เรียกว่าชาตา ป, ปัตพีคือดินแท้ ดินปฏิภประการที่สองเรียกว่าอาชาตปฏิภูได้แก่แผ่นดินที่ไม่แท้แผ่นดินที่ไม่แท้ก็หมายถึงดินที่มีของอื่นปนอยู่มากนะเช่นเป็นหินเป็นทรายล้วนเป็นมีดินร่วนดินเหนียวน้อยเป็นของอื่นมากและก็ดินที่ไฟเผาแล้ว กองดินร่วนก็ดีนะดินร่วนปนดินก่ออันฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนก็นับเข้าปัตตพีไม่แท้ทท่านั้นนั้นที่สูกขุด อ, อ, อ, าา อ, าาอาชาตาปัตตพีคือปัตตพีไม่แท้เนี่ยจะต้องอบัตอะไรในคำพีวิพังได้พูดถึงแสดงความประสงค์ให้รู้แต่ไม่ใช่เป็นคำใช้ให้ทาท่านว่า ไม่เป็นอวาบาัดก็หมายถึงว่าถ้าจะให้ขุดก็หมายถึงว่าขูดแล้วก็เ อ, อสแสดงอาการตอนนั้นไม่ได้ใช้เกิดเขาไปขุดอันนี้ไม่เป็นอวบัดอะไรอือข่าวบทนี้ก็ทรงบัญญัติขึ้นตามความเข้าใจของคนในสมัยหนึ่งที่คนในสมัยหนึ่งก็เข้าใจว่าปฏิทินนั้นเป็นของที่มีอินทรีย์นะมีอินทรีย์มีความรู้สึกนะในปัจจุบันนี้ก็ เราเป็นที่รู้กันแล้วว่าแผ่นดินก็ไม่ใช่เป็นของที่จะต้องมีอย่างนั้นนะไม่มีอย่างนั้นเราก็เอไม่ถึงเรื่องกับเป็นพิธีพิธนันอะไรจนเกิดไปไม่กล้าขุดดินแต่อีกใ น, นหนึ่งก็การขุดดินนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดการฆ่าสัตว์อีกหลายอย่างเข่นไส้เดือนหรืออะไรๆที่อาศัยอยู่ในดินก็อาจจะได้รับอถึงกับความเสียชีวิตสัตว์เหล่านั้นเสียชีวิตไปด้วยถูกฆ่าไปด้วยก็ได้ฉนั้นก็ห้ามในสิข่ขาบทนี้ทั้งที่ อในสมัยนั้นเป็นความรู้สึกของคนในสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าดีนั้นมีชีวิตมีอินทรีย์อพระพุทธองค์บัญญัติสีขาบทนั้นบางบางอย่างก็อนุโลมตามความรู้สึกของคนในสมัยนั้นซึ่งเห็นได้ ว, ว่าไม่เสียหายอะไรก็บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างนี้ด้วยกว็มีอันนั้นนี้ก็เป็นสีขาบทที่กล่าวไว้ในอผู้สาวาทวัคสีขาบทที่หนึ่ง วักที่หนึ่งมูสาวาทวะวัดที่หนึ่งซึ่งมีทั้งหมดสิบสิกขาบทเราก็ได้เรียนกันมาตามสมควรนะต่อไปเราก็ว่าถึงวัดต่อไปคือวักสีสองวักที่สองนั้นก็คือภูตคามวะกภูตคามวักก็มีสิบสิกขาบทเหมือนกันสิบสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งความว่าภิกษุ พระของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตีสองพิสุประพภุสานาจารย์สงเรียกตัวมาถามแกล้งพูดกบเกลื่อนก็ดีเนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องปาจิตตีสามพิสุติเตียนพิสุอื่นที่สงสมมุติให้เป็นผู้ทำการสงถ้าเธอทำโดยชอบ ตเตียงเปล่าๆต้องป่าจิตตีสีพ่พิสุเอาเตียงตั้งคู่เก้าอีของสงไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องป่าจิตตีห้าพิสุเอาที่นอนของสงกูนอนในกูดีสงแล้ว เมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายแกผู้อื่นก็ดีต้องป่าจิตตีหกี่สูรรู้อยู่ว่ากุดีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งไปนอนเบียดด้วยหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนครับแคบใจเข้าก็จะหลีกไปเองต้องป่าจิตตีเจ็ดพสูโกรธเคืองพ่สูอื่นชดฆ่าไล่ออกเสียจากกุดีสมต้องปาจิตตีแต่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 ก็ต้องป่าจิตตีสิข้อสุดท้ายในภูตะคามาว่าว่าพ mm hmm. ิสุรู้อยู่ว่าน้ำมีตัวสัตว์เอารถหญ้าหรือดินต้องป่าจิตตี mm hmm. นั้นทั้งสิบข้อนี้ก็เป็นข้อทีเอ่เราจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะท่องให้ได้ให้แม่นเดี๋ยก ว, ว่าให้ขึ้นใจคือท่องให้ได้เลยทีเดียว เมื่อเราท่องแม่นแนละ้วก็ไม่มีปัญหาจะให้อ้างสิขาบทอะไรมาเราก็อ้างได้อย่างถูกต้องแม่นยําเพราะมันอยู่ในความจําของเราแน่ทีนี้เราก็มาศึกษาสิขาบทเป็นลําดับลําดับไปเริ่มต้นตั้งแต่สิขาบทที่หนึ่งสิขาบทที่หนึ่งที่กล่าวว่าพิสุภาคของเทียวที่เกิดอยู่กับที่ให้หลุดออกจากที่ต้องป่าจิตตีข้อนี้ก็ข้อความที่เราจะกําหนด ก็คือลักษณะของเขียวก่อนลักษณะของเขียวของเขียวนี้เอเรียกกันตามภาษาบาลีว่าภูตะคาหมังหรือภูตคาหมะภูตคาม ะ, าามะถ้าแปลออกมาก็คือพืชที่เกิดอยู่กับที่ของเขียวที่เกิดอยู่กับที่เรียกว่าภูตะคาม์ภูตะคามนั้นท่านแจกไว้ห้าชนิดด้วยกันคือหนึ่งพืชเกิดจากเงาคือใช้เงาเพราะ เช่นพวกขมิ้นหรือพวกว่านบางอย่าง่เป็นต้นซ้อนพืชเกิดจากต้นคือเอาตอนออกได้จากต้นไม้ทั้งหลายเอามาปลูกเช่นต้นโพต้นมะม่วงหรือต้นไม้อื่นๆที่ตอนเอามาปลูกได้่เกิดจากต้น 3. ากพืชเกิดจากข้อคือใช้ข้อปลูกได้แก่จำพวกไม้ลำเช่นอ้อยไม้ไผ่เป็นต้น สีพืชเกิดจากยอดคือใช้ยอดปลูกใช้ยอดปักก็เป็นได้ได้แก่พวกผักต่างๆจะเป็นผักบุ้งผักขีล้อมเหล่านี้เป็นต้นก็ได้ห้าพืชเกิดจากมเมล็ดคือใช้มเมล็ดเพาะใช้มเมล็ดปลูกได้แก่พวกถั่วงาหรือพวกเข้าวต่างๆนี้ก็ก็ได้เรียกว่าเกิดจากมเมล็ดตามอตรกระถา ทั้งแปล ว, ว่าพืชพันธุ์อันถูกภาาจากที่แล้วแต่ว่ายังจะเป็นได้อีกเขาเรียกว่าผีชะคามนะผีชะคามก็คือของที่ถูกภาคแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้อีกนะไม่ได้หรือเอาไปปลูกต่อได้อีกไม่ได้เรียกว่าผีชะคามนะนีมลักษณะแห่งอาบัติในสิขาบทนี้ก็คือว่าผู้ตะคามที่สุฆ่าเองหรือใช้ให้ผู้อื่นภาา เป็นปาจิตีคือของที่เกิดอยู่กับที่เนี่ยพิสอไปพลาดออกเองหรือใช้ให้คนอื่นไปพลาดเช่นพวกผักต่างๆเนี่ยพิสุไปเก็บเอามาฉันเอง<ม>หรือใช้ให้สามนเณรหรือใช้ให้ใครคนนะั้นแต่ไปเก็บเอามาอย่างนี้ก็เป็นปาจิตีเพ<ม>ราะของมันเกิดอยู่กับพี่ทีนี้าพีชักขามล่ะพีชคกามพิสุพลากเองหรือใช้คนอื่นพลาดเป็นทุกก นัไม่เป็นปัจจิติอันนี้เป็นทุกข์ก่อนั้นอบัติในสี่ขาบทนี้เป็นสกิจจะสีตสกิจตะกาเจตนาจึงเป็นอบัตินะไม่เจตนาไม่เป็นเช่นเราเดินไปเหยียบแล้วก็อาจจะทําให้หญ้าหรือทําให้อะไรมันขาดไปมันถูกภากไปเตะขาดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่เป็นอบัตเพราะว่าไม่มีเจตนาในการที่จะพรากนะไม่มีเจตนาเช่นนั้นนะอันนี้ก็เป็นการบัญญัติอเกี่ยวกับ คนในสมัยนั้นก็ถือว่าต้นไม้ก็มีอิมตีเหมือนกันมีชีวิตมีอะไรมีจิตใจเขาคิดไปอย่างนั้น ก, ก็ทรงบัญญัติเพื่ออย่างนั้นด้วยแลวก็อีกในหนึ่งก็ท่านเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็พระพุทธองค์นั้นทรงบัญญัติสีขาบทนี้ไม่ให้พรกของเขียวก็เป็นการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้มีอยู่ตลอดไปเหมือนกันเพราะว่าป่าไม้ทุกวันนี้มันหมดไปจากเมื่อก่อนนี้มาก นะก็เหลือน้อยเต็มทีปัจจุ บ, บันนี้ก็ว่ามีอยู่ว่า25เปอร์เซ็นตทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียวกว่าพื้นที่ทั้งหมดในมีพื้นมีป่าอยู่25เอร์เซ็นเท่านั้นก็คิดว่าใกล้จะหมดแล้วที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัตในศี่ขาบทนี้ไม่ให้พลาดก็คือให้รักษาป่าให้เป็นป่านั่นเองนะให้มีป่าอยู่ก็รู้สึกว่าเป็นพุทธประสงค์ที่ดีที่งามที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะปลูกป่าขึ้นมาแล้วก็รักษาป่าให้เป็นป่า เพราะป่าไม้นั้นก็เป็นเป็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะผลิผลให้เราได้รับประโยชน์มากมายเช่นป่าไม้มีอยู่มากมายก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะทาให้ดินฟ้าอากาศนั้นฝนตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลก็จะได้ทำม า, าหากินในทางที่จะให้เศรษฐกิจดีขึ้นตามสมควรชาวนาชาวไร่ก็ได้ทำไร่ทานาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันตามสมควรฉะนั้นก็ป่าไม้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไม่ให้ค่าไม่ให้ตัดต้นไม้ทำลายป่าก็เป็นการที่ให้รักษาสภาพของธรรมชาติเอาไว้และก็จะได้ประโยชน์มากมายแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้พนแผ่นดินนี้ต่อไปก็เอาสีขาบทที่สองต่อไปในพุตคามาวัในสีขาบทที่สองที่สุภพุทธาาจารย์ทรงเรียกตัวมาถาม แกล้งพูดกบเกลื่อนก็ดีนิ่งเสียไม่พูดก็ดีถ้าสงสวดประกาศข้อความนั้นจบต้องไปสติข้อความที่ควรกําหน ด, ดในสิกขาบทนี้คือการสวดประกาศที่สูตประพฤติอาจารย์ทุกคว่าประพฤติอาจารย์คือประพฤติอย่างไรได้กล่าวไว้แล้วในคราวก่อนก็ประพฤติไม่ดีไม่งามนะไม่ดีไม่งามนอกรีบนอกรอยของส ม, มัญนะมีเล่นประการต่างๆ แม้จะเป็นการเล่นโบกเล่นไพ่ต่างๆนี่ก็เป็นการประพฤติอนาจารในในในข้อวินัยนี้กล่าวไว้ทั้งนี้เหมือนกันหมดนะจะเป็นการประพฤติเลวซามจะเป็นเล่นทุกซนหรืออะไรอะไรก็เป็นการประพุทธอนาจารทั้งหมดนะไปสู่ประพฤทธอนาจารก็มีพุทธานุญาตให้สองสวดส ก, กาศข้อความนั้นด้วยยติทุติยกรรมาวาจานะอ่าอย่างต้นเช่นว่าเมื่อสองเนี่ยตมาถามกแกล้งพูดกบเปื่อน เมื่อพูดกลบเกลื่อนก็มันก็ไม่เห็นเรื่องนะท่านทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้นจริงไหมแต่ก็พูดกลบเกลื่อนไปเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ให้สองสวดประกาศข้อความนั้นด้วยยกขึ้นสวดเป็นอัญญาวาทะกัก ร, รมคือยกขึ้นสวดทำกรรมแก่พิสูจ์ผู้พูดกลบเกลื่อนนะคือทาสองผู้ทาแก่พิสูผู้พูด ก, กลบเกลื่อน ส่วนยังหลังที่ว่านิ่งเสียไม่พูดนี่ก็เป็นเหตุให้หนักใจแกสงฆ์เหมือนกันนิ่งเสียไม่พูดอะไรเลยถามก็ไม่พูดพุทธอาจารย์ไม่ไดมาถามเฉยๆนั่งเฉยๆนอนเฉยๆหรือนะไม่พูดอะไรเลยอันนี้ก็ลําบากใจเหมือนกันอะเมื่อไม่พูดก็ให้สงฆ์ทำกรรมส่วนประกาศข้อความนั้นยกวิเหสักะกรรมขึ้นมาอคือกรรมอันสงฆ์จึงทาแก่ที่สุดพููทําให้สงฆ์ลาบากเมื่อสงฆ์ยังไม่ได้ทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ที่สูรนั้นก็เป็นอาบัติทุกกฎนะพระพุทธอาณาจารย์ก็เป็นทุกกฎอยู่แล้วถ้าสงฆ์ทำกรรมแล้วไม่ฟังไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามก็เป็นอาบัติปาจิตปีนะเป็นป่าจิตปีลักษณะแห่งอาบัตในสิ่ขาบทนี้ก็คือเป็นป่าจิตตกัเรียกว่าไม่เจตนาก็ต้องเหมือนกันนั้นถ้ากรรมนั้นสงฆ์ทำเป็นทำแล้วไม่เจตนาอย่างไรก็ตามทำอย่างนั้นคงไม่ค้นอาบัตอะไรไม่ค้นอาบัต เล่นไว้แต่อาการที่แสดงนั้นไม่จัดว่า ก, กบเกลื่อนหรือทําให้ลำบาก น, นี่สีขาบทที่อสองสิีขาบทที่สามภิกษุติเตียนภิกษุอื่นที่สงสมมติให้ทําการสงถ้าเธอทำโดยชอบติเตียนบปล่าๆต้อง ป, ปอาจิตตีข้อความที่ควรกําหนดในสิีขาบทนี้ก็คือการติเตียนเหตุแห่งการติเตียนเป็นธรรมเนียมของอภิกษุสงฆ์ที่จะสมมุติภิกษุบางรูปหรือรูปใดรูปหนึ่งไว้ให้ทํากิจสง เช่นเป็นผู้แจกเสนาสนะเรียกว่าเสนาสนกะหาปะกกาหรือเป็นผู้แจกพัดเรยว่าพัดตุเทศกะหรือเป็นผู้แจกกีวรในกีวรภาจักกัปก็แล้วแต่ท้องจะต้องสมมุติให้ที่สุดเหล่านี้ทำหน้าที่ในการแจกนะอที่สุดบางรูปอาจจะได้รับประโยชน์ที่พอใจด้วยไม่เข้าใจธรรมเนียมที่แจกหรือด้วยกําลังเกิดความโทสะคือเกิดความโผมนัดเสีใจ ก็กล่าวพูดโทษต่อหน้าผษุอื่นอย่างนี้เรียกว่าโคลนนานะโคลนนาเช่นไม่พอใจเห็นว่าองค์นั้นนะไม่ให้ตนไปในที่ที่ดีๆเช่นว่ารับนิมนต์เนี่ยเป็นพัตตุเทศกะสำหรับที่จะจัดพระให้ไปในที่นิมนต์ต่างๆก็จัดให้ไปไ ป, ไปตามลำดับที่บางทีมันอาจบางครั้งบางทีก็อาจจะจัดไปในที่ที่อาจจะไม่ คือหมายถึงว่าผู้ที่เป็นผู้มานิมนต์นั้นอาจจะฐานะไม่ดีอะไรทั้งนี้ก็อาจจะไม่พอใจหาว่าจัดไปในที่เช่นนั้นแต่ก็จัดให้คนอื่นไปในที่ที่ดีก็อาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ก็อาจจะกล่าวติอาจจะกล่าวตำหนิหรืออาจต่อว่าเรื่องสารต่างๆได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ท, ที่ทําโดยสุจริตใจโดยยุติธรรมแต่คนจะมีฐานะเสมอุกันนั้นไม่ได้ แต่ถ้ากล่าวเออติเตียนพูดโทษท่านต่อหน้าที่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกกันว่าโพนธนาคือว่าให้พี่ผู้อื่นได้ยินได้ยินด้วยได้ฟังด้วยหรือว่าไม่ทําอย่างนั้นแต่เป็นพูดติท่านหรือสแสดงความขัดใจแต่ลาพังผู้เดียวไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครฟังคือบางทีก็ไม่พอใจก็เดินบน่นแต่คนเดียวไปอย่างนั้นแหละนะบน่นไม่รู้ว่าอะไรเป็นคนเดียว บ่นไม่พอใจแสดงความไม่พอใจทําอย่างนี้ก็เรียกว่าบ่นว่านะบ่นว่าโจรธนานั้นว่าต่อหน้าหรือว่าให้ผู้อื่นได้ยินได้รู้ด้วยได้ฟังด้วยส่วนบ่นทนานั้นบ่นไม่ต้องการจะให้ใครได้ยินได้ฟังหรอกฟังไม่พอใจก็บน่นแต่คนเดียวอย่างนั้นนะลักษณะแห่งอาบัติในในในสีขาบทนี้ก็คือเ ต, ตียนต่อนหน้าอุปสมบัติเนี่ยต้องไปตีมัาต้องเ ต, ตียนที่ตุก ที่สงที่ได้รับสมมุติจากสงให้ทําหน้าที่สงเนี่ยพิสุไปตีเตียนต่อหน้าพิสุโดยการเป็นป่าเกตีถ้าตีเตียนต่อหน้าอนุปปสำบันคือหน้าผู้ที่ไม่ใช่พิสุเอ่อเช่นคารวาหรือติสัมเนมอย่างนี้เป็นอาบัตทุกกฎถ้าตีเตียนพิสุที่สงไม่ได้สมมุติแต่ว่าท่านไปทําการสงโดยลําพังอันนี้ก็อาบัตทุ ก, กฎเหมือนกันนะเป็นอาบาัตตุกฎเหมือนกัน ฉะนั้นการติเตียนจริงไม่เป็นการดีแต่ว่าถ้าหากว่าท่านทําไม่ถูกหรือว่าท่านมีความําเอียงอะไรก็อาจจะพูดจากันได้บ้างตามสมควรก็ไม่ถึงกับเป็นการอับเสนอับัติแต่ไปติเตียนไปนว่าต่อหน้าคู้นั้นต่อว่าหน้าผู้นี้เนี่ยอันนั้นเป็นการไม่สมควรซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมเนียมที่ดีของปิสุนะฉะนั้นก็พึงทําความเข้าใจให้ดีในสิขาบทนี้ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันให้เกิดความพาศุ เราควรจะประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่เพื่อนสหธรรมิกทุกลูกที่ดั่งไล้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขอให้ท่านจงมีสุขภาพอนามัยดีมีความสุข ม, ม, สมีความสบายมีความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินยัยเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของสาธุชนทั่วๆ ว, วไปจงทุกท่านทุกคนเพน